ตามธรรมดาจิตย่อมเปลี่ยนความรู้สึกไปกับสิ่งเกี่ยวข้องเป็นอย่างอย่างไปไม่มีสิ้นสุดคืออยู่ในบ้านในเมืองกับผู้คนหญิงชายมากๆจิตมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเข้าไปดูในป่าในเขาอันรกชัดหรือในที่เปลี่ย ว, เ, ยวเช่นป่าช้าป่าที่มีเสือชุกชุมมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นอุบายวิธีฝึกทรมานจิตจำต้องมีหลายวิธีเพื่อให้ทันกับกลมารยาของกิเลสหลายชนิดที่มีอยู่กับจิต ซึ่งแสดงตัวออกอยู่ทุกระยะตามชนิดของมันถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะเห็นว่าจิตเป็นสถานที่ชมนมแห่งเรื่องทั้งปวงและก่อกวนตัวเองไม่มีเวลาสงบอยู่เฉยๆได้แม้เวลาหนึ่งเลยซึ่งโดยมากก็เป็นเรื่องต่ำแซมที่จะคอยฉุดลากความประพฤติให้เป็นไปตามทั้งนั้นไม่ค่อยมีเรื่องอัรรมแฝงอยู่พอให้เกิดความสงบเย็นใจได้บ้างผู้ประสงค์ทราบข้อเท็จจริงทั้งหลายจำต้อง เป็นนักสังเกตจิตและฝึกฝนทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นตัวอย่างอันดีเลิศแก่หมูชนท่านที่ชอบอยู่ในป่าจนเป็นนิสัยนั้นความจริงแล้วความรู้สึกของคนเราย่อมเหมือนๆกันไม่มีใครคิดชอบขึ้นมาโดยลำพังว่าอยากอยู่ในป่าในเขาในที่เปลืกเปียวอันใครๆไม่พึงปรารถนาในโลกแต่ที่จาต้องคิดต้องทาอย่างนั้นก็เพื่อความเป็นคนดี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 ต้องการชมรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและอารมณ์ชนิดใดผู้รับใช้เป็นวิ่งเต้นหามาให้ชมทันทีไม่ชักช้าราคาข้างงวดเท่าไรสเสวยสุขเป็นที่พอกับความต้องการแล้วค่อยคิดบัญชีกันการคิดและการจ่ายค่าอะไรเท่าไรก็เป็นธุรหน้าที่ของผู้รับรองทั้งสิน้นเจ้าอํานาจไม่ได้อุทธร ร, ร้อนใจอะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ ใครจะเป็นคนใจเหล็กใจเพชรมาจากไหนที่จะมีแก่ใจฝึ ก, กจิติขับไล่กิเลสเจ้าแสนคารมให้ออกจากใจได้ฉะนั้นการฝึ ก, กจิตเพื่อความรู้ความเห็นด้วยสติปัญญายอย่างแท้จริงว่ากิเลสเป็นข้าสึกแก่ใจจึงเป็นการฝึกยากเห็นได้ยากอย่างยิ่งควรเรียกว่างานฝึ ก, กจิตทรมานกิเลสเป็นงานยากฝากตายจริงๆไม่ใช่งานทําเล่นอย่างสนุกสนานดังเขาเล่นกีฬากันตามสนาม บรรดาท่านที่สามารถรู้หน้าค่าคิดค่ากิเลสให้ตายจากใจมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงเป็นบุคคลพิเศษถ้าเป็นสามันเราเกิดมีความสามารถค่ากิเลสให้ตายจากใจได้แม้จะไม่เป็นบุคคลพิเศษดังพระองค์ก็ต้องเป็นบุคคลพิเศษในวงกิเลสทั้งมวลความอัศจรรย์แห่งความสามารถค่ากิเลสให้ตายและความอัศจรรย์ของจิตที่อยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วมีอยู่ในท่านผู้ใด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 นอกจากอยู่ด้วยการทรมานตนแล้วการขบฉันก็ทรมานไปตามๆกันเพราะเป็นประโยคแห่งความเพียรด้วยกันที่ผว้หวังผ่านพ้นดงหนาผ่าทึบคือความมืดมนจะขนวนขวายทรมานเพื่อเป็นความดีอีกทางหนึ่งการฉันแม่หิวมากอยากฉันให้มากๆตามใจชอบแต่เมื่อคำนึงถึงทำแล้วก็จาต้องอดต้องทนฉันแต่น้อยเพื่อแบ่งให้ทางทาดขานบ้านแบ่งให้ทางจิตใจบ้าง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 ที่สนับสนุนอยู่โดยสม่ำเสมอถ้าความสามารถพอวาสนาบารมีสมบูรณ์ก็ผ่านพ้นไปได้ดังใจหมายเพราะอุบายวิธีทางความเพียรแต่และประเภทช่วยส่งเสริมท่านที่ชอบอดอาหารตามนิสัยก็พยายามอดบ้างอิ่มบ้างพ่นไปบ้างระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างตามแต่เห็นควรทางจิตก็ขยัความเพียรเข้าทุกทีเวลามีโอกาสทางธาตุขานก็ผ่อนลงเพื่อความเพียรได้ดําเหินโดยสะดวก จิตจะได้ราบรื่นแจ่มใสขึ้นไปเป็นระยะทางสมาธิก็เร่งในเวลาที่ควรทางปัญญาก็ขวนขวายไปตามโอกาสสลับกันไปท่านที่อยู่ในป่าในเขาในเนื้อผาหรือในสถานที่ต่างๆก็ดีท่านที่ผ่อนอาหารก็ดีที่อดอาหารก็ดีซึ่งมีจิตมุ่งมั่นต่อทำด้วยกันต่างก็อยู่ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาในอิรยาตต่างๆกัน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 ความวอกแวกคลอนแคนความวุ่นวายสายแสความมืดมนอนทการที่เคยมีประจำสามัญจิตก็ค่อยๆอยจางหายไปวันละเล็กแต น, น้อยจนเห็นได้ชัดว่าหายไปมากเพียงไรเฉพาะผู้ท ร, รมนานใจเกี่ยวกับความกลัวกับผู้อดอาหารไปหลายๆวันตามจริย ช, ชอบและการท ร, รมานตนด้วยการนั่ ง, งานานๆโดยพิจารณาทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ทั้งสามอย่างนี้ ผลรู้สึกอัศจรรย์ผิดกับการทรมานอย่างอื่นๆอยู่มากแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อมีโอกาสตอนนี้จะ อ, อธิบายไปตามแนวที่ส่วนมากท่านดำเนินการวิธีท่านฝึกทรมานใจด้วยอุบายต่างๆกันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละท่านที่จะคิดหาอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งแปลกต่างกันไปเป็นเรื่ยๆบางท่านนอกจากไปอยู่ในป่านในเขาเป็นที่น่ากลัวแล้ว ท่านยังคิดอุบายพิเศษเพื่อเหมาะแก่การสถานที่และเหตุการณ์ยิ่งขึ้นไปอีกเช่นขณะไปอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วเวลาจิตเกิดความกลัวขึ้นมาในเวลากลางคืนท่านยังออกเดินเข้าไปในป่าอื่นๆได้อีกเพื่อทรมานความกลัวที่กำลังกำเริบโดยไปเที่ยวนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตามก้อนหินบนเขาบ้านนั่งอยู่หินดานกลางแจ้งบ้างเที่ยวเดินจงกรมไปตามที่ต่างๆ อันเป็นทำเลที่เสือโคร่งใหญ่เคยเดินผ่านไปมาบ้างเป็นเวลานานๆานส่วนจิตก็พิจารณาความกลัวความตายและพิจารณาเสือที่จิตสําคัญว่าเป็นของน่ากลัวบ้างพิจารณาตัวเองบ้างว่ามีอะไรแตกต่างกันถึงได้กลัวกันพิจารณาแยกขยายไปตามส่วนที่จิตสําคัญไปต่างๆเช่นเสือมีอะไรน่ากลัวบ้างถ้าพูดถึงฟันเสือฟันเราก็มีพูดถึงเล็บเสือ เล็บเราก็มีพูดถึงขนเสือขนเราก็มีพูดถึงหัวเสือหัวเราก็มีพูดถึงตัวเสือตัวเราก็มีพูดถึงตาเสือตาเราก็มีพูดถึงลายเสือลายที่สักตามแขนขาหรือฝีไยเราก็ยังมีพูดถึงหางเสือแม้ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวส่วนเราจะกลัวหาประโยชน์อะไรพูดถึงใจเสือกับใจเราก็เป็นใจเหมือนกัน ยิ่งใจเราเป็นใจของคนของพระก็ยิ่งมีคุณภาพสูงกว่ามันเป็นในไหนแม้อวัยวะส่วนต่างๆของเสือกับของเราก็มีสิ่งต่างๆแห่งธาตุเป็นส่วนผสมเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกและยิ่งย่อนกว่ากันพอจะให้กลัวกันเลยใจเสือเป็นใจสัตว์ส่วนใจเราเป็นใจพระและมีธรรมในใจจึงมีคุณภาพและอำนาจสูงกว่าเสือจนเทียบกันไม่ได้แต่เหตุฉนายจึงกลับลดคุณภาพและศักดิ์ศรีของพระลงไปกลัวเสือ ซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดราชฉานตัวหนึ่งเท่านั้นได้นี่เป็นการขายตัวซึ่งเป็นพระทั้งองค์ไปหรืออีกประการหนึ่งพระศ า, ศาสนาซึ่งมีความวิเศษอัศจรรย์ครอบโลกทั้งสามแต่อาศัยพระที่คลาดวาดกลัวพายเกิดมลทินก็จะพลอยมัวหมองและเสื่อมเสียไปด้วยความเสื่อมเสียพระศาสนาอันเป็นสมบัติล้นค่าของโลกทั้งสามเพราะความเห็นแก่ชีวิตมากกว่าทํานั้นไม่เป็นการสั่งคนเลยถ้าตายก็จัดว่า ตายด้วยความอับเฉาเขลาปัญญาไม่มีความสง่างามในตัวและวงพระศาสนาเลยแม้แต่น้อยพระกรรมฐานตายแบบนี้เรียกว่าตายแบบขายตัวและขายพระศาสนาตลอดวงปฏิบัติทั่ ว, วไปไม่ใช่ตายแบบนักกรบในสงครามซึ่งเต็มบริด้วยความเชื่อกำมและอาถรรพ์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์จึงไม่ควรตายแบบนี้แต่ควรตายแบบนักกรบ จบชีวิตในสงครามด้วยความฆ่้าหารชานชัยจะเป็นการทรงเกียรติของตัวและพระศาสนาไว้ประดับโลกให้รับสืบทอดต่อไปตลอดกาลนานเราจงพิจารณาให้เห็นแจ้งทั้งตัวเสือตัวเราทั้งอวัยวะทุกส่วนของเสือของเราทั้งความกลัวตายที่แทรกซึมอยู่ภายในอย่างชัดเจนด้วยปัญญาไม่ยอมให้ความกลัวเหยียบย่ำลูกทำจมูกเล่นและผ่านไปเปล่าๆจะเสียรวดลายของลูกผู้ชายที่เป็นพระกรรมฐานทั้งองค อย่างไรต้องรบให้ถึงที่ถึงฐานจนเห็นความแพ้ความชนะและความเป็นความตายกันวันนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่มีอํานาจเทิดเกียรติตนและพระศาสนาให้มีความสง่างามต่อไปหรือฝ่ายไหนจะเป็นผู้ทําลายตนและพระศาสนาเพราะความกลัวก็สราบกันในคืนวันนี้และเดี๋ยวนี้จงพิจารณาจนถึงขั้นแตกกันนบัตินี้ขณะที่พิจารณาวินิจฉัยกันอยู่อย่างวุ่นวาย และแย่ธาตุแยกขันแยกความกล้าความกลัวออกหามูลความจริงอยู่ด้วยความพิถีพิถันมั่นใจนั้นใจเกิดความรู้ความเห็นไปตามปัญญาที่พร่ำสอนไม่ขาดพักขาดตอนจนเกิดความสงบเย็นใจและหายกังวลในเวลานั้นผลเป็นความสงบสุขขึ้นมาสัญญาอารมณ์ที่เคยสําคัญมั่นหมายไปต่างๆได้หายไปหมดมีแต่ความสงบสุขของจิตปรากฏอยู่อย่างสง่าผ่าเผยจิตเกิดความเชื่อในเหตุ คือการพิจารณาว่าเป็นทางให้หายความวุ่นวายสายแสและความหวาดกลัวได้จริงและเชื่อต่อผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเป็นความสงบสุขอย่างแปลกประหลาดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนที่ยังไม่เคยพิจารณาโดยถือเอาความกลัวเป็นสาเหตุนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ท่านใช้กำจัดความหวาดกลัวจนเห็นผลประจักษ์แต่ในขั้นเริ่มแรกหัดทากรรมฐานท่านใช้บริกรรมภาวนาด้วยทาบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้น เวลาที่ความกลัวเกิดขึ้นมากกว่าใช้วิธีพิจารณาและได้ผลเป็นความสงบหายกลัวได้เช่นกันเป็นแต่ไม่ได้อุบายแยบคายต่างๆจากการพิจารณาเท่านั้นบางท่านเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งอยู่ในมุง้งท่านก็เลิกมุ้งขึ้นเสียแล้วนั่งอยู่เพียงตัวเปล่าแม้มีเหลือบยุงมากัดบ้างก็ทนเอามีแต่ตั้งหน้าภาวนาด้วยวิธีต่างๆที่จะเอาชนะความกลัวในเวลานั้นให้ได้ จนชนะได้จริงๆถึงจะหยุดพักผ่อนจิตที่สงบลงด้วยการฝึกทรมานเพราะความกลัวเป็นเหตุรู้สึกว่าสงบได้ละเอียดและนานกว่าการภาวนาธรรมดาอยู่มากขณะที่จิตสงบอย่างละเอียดเต็มที่ในเวลานั้นกายหายจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงอายัตนะภายในกับอายัตนะภายนอกระงับจากการสัมผัสกันจนกว่าจิตถอนขึ้นมาจึงจะทางานต่อไป ความเป็นอยู่ของจิตที่ระ ง, งับจากการใช้อายตนะคลายคลึงกับขณะหลับแต่ไม่ใช่หลับขณะหลับมิได้มีความแปลกประหลาดใดๆแสดงออกในเวลานั้นแต่ขณะจิตสงบเต็มที่มีความแปลกประหลาดแสดงออกอย่างเต็มตัวและมีความสักแต่ว่ารู้ประจงความสงบอยู่ในขณะนั้นความดับธรรมดาที่ทั่วไปยอมรับผลของมันนั้นต่างกับความสงบ กิจอย่างละเอียดที่ผู้นั้นยอมรับผลจากสมาธิภาวนาของตนผลนั้นทําให้ติดใจอะไรอาวรณ์อยู่เสมอไม่จืดจางผลนี่แลที่ทําให้ผู้เคยได้รับเกิดความมั่นใจและกล้าหาญต่อวิธีฝึกทรมานตัวตามแบบนี้ในวาระต่อไปผู้ที่เคยประสบผลมาแล้วแม้ความกลัวจะเกิดขึ้นมากมายเพียงไรก็ไม่มีความย่อท้อและยังถือความกลัวเป็นเครื่องเตือนใจ ที่จะทรมานทั้งความกลัวและกว้าเอาชัยชนะมาคลองอย่างองอาจดังที่เคยประสบมาอีกด้วยนี่แลเป็นสาเหตุให้ท่านเสาะแสงหาแต่ที่กลั ว, ลวเป็นที่บำเพ็ญที่กลัวมากเพียงไรท่านยิ่งมุ่งหน้าไปพักบำเพ็ญอยู่ที่นั้นเพราะการฝึกทั้งที่ใจกำลังแสดงความผ่านผลอยู่ด้วยความกลัวจนเกิดความกล้าหาญประจักษ์ขึ้นมาด้วยอุบายสติปัญญาที่ทันต่อเล่ห์ลี่มของใจ เป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่แล้วอย่างเต็มใจที่ว่าสถานที่น่ากลัวนั้นน่ากลัวจริงๆเพราะเป็นปา่าเสืออาศัยอยู่เป็นประจำและชอบเดินเที่ยวหากินผ่านไปมาอยู่เสมอบางแห่งแม้กลางวันแสกๆเสื อ, อยังเที่ยวไปมาก็ยังมียิ่งกลางคืนด้วยแล้วก็เป็นทำเลเที่ยวของมันโดยสะดวกและไม่ค่อยกลัวคนด้วยผิดกับเวลากลางวันอยู่มากเป็นเพียงมันไม่ค่อยสนใจกับคนนัก เท่ากับสัตว์ที่เคยถือเป็นอาหารของมันจึงแม้เดินผ่านไปมาแถวบริเวณที่พักอยู่ก็เป็นเหมือนไม่มีถ้ามันไม่ร้องครางขึ้นให้ได้ยนินแต่สัญชาตญาณที่เคยมีประจักษ์นิสัยมนุษย์มาดั้งเดิมว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายก็ยอมอดคิดและกลัวไม่ได้เพราะขณะที่ก้าวเข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นก็รู้สึกตัวดีอยู่แล้วว่าไปอยู่ตรงเสือใครจะหานทําตัวเฉยๆเหมือนอยู่ในตลาดได้ก็จําต้อง คิดระแวงและกลัวมันอยู่โดยดีพระธุดงค์ที่ท่านเก่งท่านก็เก่งจริงหน้าเคารพเลื่อมใสามากคือขณะเสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่รอบๆอ บ, ร, อ บ, ร, อบริเวณที่พักท่านยังเดินจงกรมเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถูกถามท่านก็ตอบอย่างสบายและมีเหตุผลน่าฟังมากเช่นถามว่าเสือเป็นสัตว์ร้ายกัดได้กินได้ทั้งสัตว์ทั้งคนเคยได้ยินเสือกัดและกินคนอยู่เสมอ แต่ทำไมท่านจึงเดินจงกรมเฉยอยู่ได้ท่านมีคาถาอาคมใส่กุญแจปากเสือให้อ้าปากกัดกินคนไม่ได้อย่างนั้นหรือถ้ามีก็ขอเรียนบ้างเพื่อเวลาเข้าป่าเข้าเขาจะไม่ต้องกลัวเสือกลัวหมีมากัดมากินจะได้ภาวนาสบายหายกลัวเสียบ้างเท่าที่ไปอยู่ป่าเขาด้วยความลำบากอยู่เวลานี้ก็เพราะความกลัวอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่กลัว พระมีคาถาติดปากป้องกันไม่ให้เสืออาปากกัดกินได้ก็แสนจะสะดวกสบายท่านก็ตอบอย่างสบายว่าเสือมันก็ร้องอยู่โน่นส่วนเราก็เดินจงกรมอยู่นี่ซึ่งห่างไกลกันเป็นเซนเซนตหรือเป็นกิโลเมตรก็ไม่ทราบจะกลัวหาประโยชน์อะไรถ้ามันเข้ามาร้องครางและทําท่าจะตะครุบเรากินเป็นอาหารจริงๆก็พอจะคิดหน้ากลัมันบ้างเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงมันร้องไปตามภาษาสัตว์ที่มีปาก ไม่เห็นมาทำท่าอะไรใส่เราพอจะน่ากลัวพูดถึงคาถาต่างๆใครก็มีอยู่ด้วยกันถ้าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ขนแบบท่านแม้จะไปเรียนคาถามาจากท้าเวสวรรืบนสวรรค์ก็เถอะพอเข้าไปป่าได้ยินเสียงเสือกระหึ่มเท่านั้นก็จะพาคาถาวิ่งอ้าวแบบไม่คิดชีวิตเลยนั่นแหละคาถาจะเก่งขนาดไหนก็ต้องถูกคนที่ขาดกลัวตายพาวิ่งจนสมงจีวรหลุดขาด คาถาอาคมหลุดหายไปไหนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยแน่นอนผมแม้มีคาถาป้องกันอยู่บ้างก็ไม่คิดจะให้คนแบบท่านกลัวจะเอาคาถาผมไปฉิบหายปนปีกไม่มีเหลือคาถาจะดีขนาดไหนถ้าคนไม่เป็นท่าคาถาก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนคนมีปืนอยู่บนบ่าเวลามีเหตุอันตรายแต่ไม่รู้จักใช้ปืนก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นนี่เพียงพูด เรื่องเสือเรื่องผีกันเล็กน้อยเท่านั้นก็เริ่มกลัวแทะตัวสั่นอยู่แล้วจะไปมีสติสตังทะ ล, ลึกถึงคาถาอาคมเพื่อป้องกันได้อย่างไรนอกจากจะคิดเพ่นท่าเดียวซึ่งเป็นเรื่องขายขี้หนาชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตลอดวันตายผมนะ่ะไม่ได้คิดแบบท่านถ้าคิดแบบท่านก็ต้องไปเที่ยวเรียนวิชาคาถาอาคมม า, าคมคูเสือสัตว์เสือต่างๆแต่จะไม่สนใจคิดขค่มขู่ความกลัว อันเป็นภัยอยู่ภายในด้วยอุบัยต่างๆให้หายไปได้สุดท้ายก็เป็นคนไม่เป็นท่าเชื่อตัวเองไม่ได้ตลอดบารตายคิดแล้วหน้าอับอายเสือที่มีอำนาจกว่าคนนอนหรือร้องครางไปตามภาษาความสนุกคึก ข, ขนองของตนก็มีคนคอยกลัวอำนาจนับว่าเสือดีมีอำนาจกว่าคนไม่เป็นท่าหลายเท่าเวลาถามและขอเรียนภาษากับท่าน แต่กลับได้รับคำตอบที่น่าคิดเป็นคติไปนานท่านที่ฝึกกิจดวงเคยผ่าโพนโลดเต้นเพนพยองลำพองตัวไม่มีขอบเขตด้วยความพยายามไม่ลดละจนยอมตนและกลายเป็นติดที่เชื่อมชินต่อเหตุผลอธรรมด้วยดีแล้วท่านไม่สะทกสะทานต่อเหตุการ์ต่างๆที่ใครๆจำต้องเผชิญอยู่เสมออยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้ไม่ว่าที่เช่นไรคาว่าฝาว่าเขา ที่คนที้กลัวอยู่ไม่ได้แต่ท่านอยู่ได้อย่างสบายและถือเป็นที่หลบซ่อนผลคลายอิริยาบถและเจริญสมรธรรมอย่างพอใจไปตลอดกาลผู้หวงเป็นคนดีเจริญก้าวหน้าจึงควรยึดวิธีการของท่านเป็นเครื่องดำเนินแม้จะไม่ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาเมือนขัน้นแต่อุบายเครื่องฝึกตนในหน้าที่ต่างๆเพื่อเป็นคนดีมีหลักฐานมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่ รับถ่ายทอดจากกันได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ประตรทมสอนโลกไม่ได้เลยเพราะใครๆไม่สามารถปฏิบัติแบบพระองค์ได้แต่ผู้ยึดหลักทำไปปฏิบัติ ด, ดำเนินตามจนกลายเป็นคนดีเลิ่ไน้ตามและเป็นคนดีมีคือมีแปร่าจนถึงพวกเราในวงพุทธบริษัทย่อมเป็นที่ยอมรับกันว่ามีจานวนมากมายเนื่องจากการปฏิบัติตามท่านแบบลูกศิษย์มีครูการฝึกทรมานกิจ ด้วยวิธีต่างๆตามแต่ท่านผู้ใดมีความแยบคายในทางใดสําหรับพระธุดงสายของท่านพระอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติการตลอดมาไม่ได้ทอดทิ้งปฏิบัติทาท่านอาจารย์ท่านดําเนินจนทุกวันนี้ท่านที่เกิดความสงสัยในองค์ที่ท่านเดินจงกรมแข่งกับเสียงเสือกระหึ่มคิดว่าท่านมีคาถากุญแจปิดปากเสือนั้นท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะตัวท่านเองกลัวเสือมากเวลาได้ยินเสียงมันกระหึ่มมาแถบบริเวณที่พัก แม้จะไม่เข้ามาในที่นันก็ตามท่านจึงต้องเรียนถามอย่างนั้นในวงพระธุดงค์ท่านสนทนาธรรมกันเวลามาพบกันและโอกาสดีๆรู้สึกน่าฟังมากทั้งด้านธรรมทางใจที่เกิดจากภาคปฏิบัติทางการทรมานและวิธีทรมานจิตใจด้วยวายต่างๆกันทั้งความกล้าความกลัวที่แสดงขึ้นในเวลาต่างๆกันทั้งความทุกข์ลบากที่เกิดจากการหักโหมกายและทรมานใจในบางคาน ซึ่งสำคัญมากก็ด้านทรรมภายในคือสมาธิและปัญญาที่ต่างองค์ต่างรู้ต่างองค์ต่างเห็นอยู่ในสถานที่ต่างๆกันเวลามาสนทนาการตามภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละองค์ที่รู้เห็นมาทำให้ความเพลิดเพลินไปตามจนลืมไปล้เวลาและความเหน็ดเหนื่อยต่างๆในบางรายแต่มีน้อยท่านพูดถึงจิตท่านยังลงสู่ความสงบว่าลงถึงสามขณะจึงจะเต็มภูมิของสมาธิ คือลงขณะหนึ่งจิตสงบเพียงเบาๆพอสบายๆลงขณะที่สองความสงบและความสบายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลงขณะที่สามซึ่งเป็นขณะสุดท้ายร่างกายดับในความรู้สึกว่ากายไม่มีอายตนะไม่ทำงานยังเหลือเพียงสักว่ารู้อย่างละเอียดและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่บอกไม่ถูกเท่านั้นนี่ท่านว่าเป็นสมาธิเต็มภูมิ และเป็นสมาธิที่สร้างฐานแห่งความมั่นคงให้แก่จิตได้เป็นอย่างดีใจที่ลงสู่ความสงบเต็มที่ดังภูมนินี้โดยมากพักอยู่เป็นเวลาหลายหลาชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาบางครั้งถึงสิบสองชั่วโมงก็มีบางท่านอาจสงสัยว่าขณะที่จิตอยู่ในสมาธิหลายชั่วโมงในท่านั่งอย่างเดียวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เ, เลยเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วร่างกายจะไม่เจ็บปวดชอกช้ำไปเลย จึงขอเรียนตามความเป็นของจิตและขันว่าเมื่อจิตเข้าพักและสงบตัวอยู่อย่างเต็มภูมิเช่นนั้นจิตและกายไม่ไม่ได้รับความกระเทือนจากสิ่งใดเลยความสนิทของจิตของท่าที่เป็นอยู่เวลานั้นเข้าใจว่าละเอียดยิ่งกว่าขณะคนนอนหลับสนิททางนี้เพราะบางครั้งขณะหลับไปนานๆตื่นขึ้นมายังรู้สึกเจ็บปวดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่บ้างที่ถูกนอนทับ แต่ขณะที่จิตถอนขึ้นมาจากสมาธิประเภทนี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอวัยวะส่วนใดๆเลยทุกส่วนปกติตามเดิมฉะนั้นจึงทําให้เชื่อมั่นในท่านที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่หลายวันว่าเป็นความจริงทั้งการเข้าอยู่ได้นานทั้งสุขภาพทางร่างกายว่าเป็นปกติเช่นเดิมไม่มีอะไรบอกช้าเพราะสมาธิสมาบัติเป็นเครื่องบันทอนหรือทําลายเลย การสนทนาธรรมระหว่างพระทุดงค์ด้วยกันโดยมากท่านสนทนาเรื่องผลของการปฏิบัติตามชั้นภูมิที่ตนรู้เห็นมาและสถานที่บาเพ็ญในที่ต่างๆอันเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเห็นทางใจแก่กันและกันจริงๆซึ่งเป็นเครื่องระลึกไปนานการสนทนาไม่ได้มีเรื่องโลกสงสารกิจการบ้านเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียด เรื่องอิจฉาบาังเบียดเยียดยามข้แฝงเลยมีแต่เรื่องธรรมปฏิบัติล้วนๆเท่านั้นจะสนทนากันเป็นเวลาช้านานเพียงใดตามความจําเป็นก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจผู้ฟังให้ดื่มดมทราบซึ้งในธรร ม, มากเพียงนั้นรู้สึกเป็นอุดมคติซึ่งน่าจะจัดเข้าในธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสาคัชชาเอตมังคัมตมังได้เพราะการสนทนาในระหว่างแห่งท่านนักปฏิบัติด้วยกัน ท่านมุ่งต่อความรู้จริงเห็นจริงต่อกันจริงๆไม่ได้มุ่งเพื่ออวดชั้นอวดภูมิอวดรู้อวดฉลาดแม้น้อยเพียงไรเลยจิต ค, คอยรับความจริงด้วยความสนใจจากกันอยู่ทุกขณะที่แต่ละฝ่ายระบายออกมาถ้าฝ่ายใดยังมีบวกพร่องในจุดใจก็ยอมรับคําชี้แจงจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ภูมิธรรมสูงกว่าด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆการสนทนาก็คือการสอบถามความรู้ความเห็นความเป็นไปของจิต ที่เกี่ยวกับสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานของกันและกันนั่นเองเมื่อต่างฝ่ายต่างสนิทเชื่อถือคุณสมบัติปฏิบัติทาของกันและกันอย่างไม่มีเครื่องแข่งสงสัยแล้วย่อมสนทนากันได้ด้วยความสนิทใจและเปิดเผยต่อกันในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายในไม่มีปิดบังลี้ลับไปเลยตอนนี้แหลที่นักปฏิบัติมีโอกาสได้รู้ภูมิธรรมของกันและกันได้อย่างชัดเจนว่าท่านผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรม อยู่ในขั้นนั้นท่านผู้นั้นมีเจิตละเอียดท่านผู้นั้นมีปัญญาสูงท่านผู้นั้นจวนผ่านภพชาติอยู่แล้วและท่านผู้นั้นได้ผ่านภพชาติไปแล้วอย่างสบายหายห่วงส่วนท่านผู้นี้กําลังขี้เกียจอ่อนแอภาวนามีแต่สรรพงกนั่งสมาธิมีแต่หลับในนั่งอยู่ที่ไหนหลับในที่นั้นท่านผู้นี้มีเอตะทะคัตในทางหลับในในวง พระธุดงจึงไม่ควรเข้าใจว่าพระธุดง์จะดีไปเสียทุกองค์แม้ผู้เขียนก็ตัวเก่งเคยหลับในมาแล้วอย่างช่ำชองแต่ไม่อยากอวดตัวท่านผู้นี้จิตกำลังเริ่มสงบท่านผู้นี้จิตกำลังเริ่มเป็นสมาธิท่านผู้นี้มีความรูปแป้แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมีเปรตผีเทวดาเป็นต้นท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนั่งท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนอน ท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางยืนมากกว่ายิรยาบทอื่นๆท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดนอนท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางข่อนอาหารท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดอาหารท่านผู้นี้ชอบทรมานตนด้วยการเข้าป่าหาเสือหาหมีเพื่อเป็นอุบายช่วยความครัวให้หายด้วยการพิจารณาโดยยึดเอาเสือหมีเป็นเหตุท่านผู้นี้ชอบทรมาน ด้วยการเดินเที่ยวหาเสือบนภูเขาในเวลาค่าคืนท่านผู้นี้ชอบต้อนรับแขกหรือดับคือพวกกายทิแต่ท่านผู้นี้ชอบกลัวแต่ผีแต่เปรตเหมือนพ่อแม่พาเกิดในบ้านผีบ้านเปรตและเอาซากผีมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาบวชจึงชอบกลัวแต่เปรตประจำนิสัยท่านผู้นี้มีนิสัยเชื่อง่ายใครพูดอะไรเชื่อเอาเชื่อเอ า, เอาไม่ชอบใครโกงก่อนแล้วค่อยเชื่ออย่างมีเหตุผล ท่านผู้นี้มีทิฐิมากไม่ค่อยลงใครง่ายๆท่านผู้นี้มีนิสัยฉลาดชอบใข่ครวนไตรตรองด้วยดีก่อนทุกกรณีไม่เชื่อแบบสุ่มเดาวเวล า, าอาจารย์อบรมสั่งสอนจบลงก็มักมีข้อข้องใจเรียนถามปัญหาต่างๆและโต้สอบกันเพื่อเหตุเพื่อผลทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมหลายแง่หลา ย, า ย, ลายทางและเป็นอุบายช่วยเสริมสติปัญญาแกวงปฏิบัติได้ดี เป็นผู้ประดับหมู่คณะให้สง่างามในวงปฏิบัติเป็นที่เบาใจครูอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนไปอยู่ที่ใดอยู่กับท่านผู้ใดก็เป็นที่เบาใจท่านผู้นั้นไปอยู่โดยลำพังก็พยายามรักษาตัวดีด้วยเหตุผลหลักธรรมไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่วงคณะการติดต่อกับผู้คนญาติโยมก็พอเหมาะพองามไม่เลยเถิดเปิดเปิงซึ่งในวงทัศ ทุดงมักมีทํานองนี้แทรกอยู่เสมอโดยมากก็ไม่มีเจตนาให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะความไม่ฉลาดรอบครอบอย่างเดียวทำให้เสียความดีงามอย่างอื่นไปด้วยอีกประการหนึ่งที่มักมีเสมอในวงปฏิบัติคือเวลาจิตเป็นสมาธิย่อมมีความสงบมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปกับโลกใจมักมีโวหารปฏิพานเป็นพิเศษทาให้ผู้ปฏิบัติลืมตัวได้ง่าย อาจสำคัญตนว่าเก่งขึ้นได้ทั้งที่ยังไม่เก่งเป็นเพียงจะเริ่มเก่งถ้าพยายามทำความเพียรไม่ลืมตัวเสียก่อนแต่นักปฏิบัติมักลืมตัวตอนนี้มากกว่าตอนอื่นๆเพราะไม่เคยประสบมาในชีวิตและเป็นก้าวแรกแห่งความดีความสงบสุขทางใจความมั่นคงของใจที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งได้รับจึงทาให้ตื่นเต้นลืมตนไปได้ถ้าไม่มีผู้เตือนก็จะทนงตัวแบบนักธรรมะไปได้ โดยทะนงตัวว่าธรรมะเกิดโอหานตแตกฉานเทศสฏิพานก็ได้ต่อไปอาจเข้าใจว่าตัวเทศเก่งธรรมะก็แตกฉานภายในใจพูดเทไรธรรมะยิ่งไหลออกมาเหมือนหน้าเหมือนท่าไม่อักไม่อัน่นเลยทำให้เพลินพูดไปไม่หยุดหย่อนกว่าจะรู้สึกตัวเวลาก็ปลาเข้าไปหลายชั่วโมงในการพูดหรือเทเแตละครั้งการติดต่อกับผู้คนไม่รู้เวล่เวลาว่าควรไม่ควร พูดไม่รู้จักจบเทศไม่มีเอวังธรรมะมีเท่าไรขุดค้นออกมาพูดและเทศจนหมดเปลือกใครมาหาโดยไม่ทราบว่าเขามาเพื่ออะไรมีแต่แจกจ่ายทาอย่างไม่อั้นไม่เสียดายไม่ประหยัดทาในใจแม้มีน้อยแต่ก็ชอบใจให้มากอย่างสมใจจ่ายไปจ่ายไปโดยไม่มีการบารุงรักษาด้วยความเพียรอันเป็นดังทนบกั้นทำภายในใจไม่ให้รั่วไหลแต่กลับทาลายด้วยความไม่รู้จักประมาณ แม้แต่น้าในมหาสมุทรก็ยังลดตัวลงได้ใจที่ไม่ได้รับการเหลียวแลทางความเพียรและประหยัดด้วยเวลาก็ยังมีทางเสื่อมลงได้เช่นเดียวกันฉะนั้นจิตที่จ่ายมากแต่ขาดการบำเพ็ญติดต่อก็ย่อมมีความเสื่อมถอยด้อยลงทุกทีจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในเลยสุดท้ายก็เหลือแต่ความฟุ้งซ่ า, านราคาญเต็มดวงใจเอาไว้ไม่อยู่นาลงสู่ความสงบไม่ได้เหมือนที่เคยเป็นมา ใจเปลี่ยนจากความสงบเย็นกลายเป็นใจฟุ้งเฟอ้อเหอะขนองและร้อนรุ่มกลุ่มใจยืนเดินนั่งนอนในท่าใดาก็มีแต่ไฟเผาใจหาความสงบเย็นไม่ได้เมื่อไม่มีทางออกก็คิดออกทางเปลวไฟอันเป็นทางซ้มเติมลงอีกโดยไม่รู้ตัวว่าก็เมื่อมีแต่ความร้อนรนกรวนกวาวอยู่ตลอดเวล า, เ, วลาเช่นนี้แล้วจะอยู่ไปทำไมให้หนักศาสนาเล่าศึกเสียดีกว่าอยู่ไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร เลยต้องสึกเสียเพื่อหายห่วงไปตามอารมณ์ดังนี้ความคิดที่ไม่เป็นมงคลทั้งขณะที่กำลังเป็นนักบวชอยู่แล้วแม้สึกออกไปก็ไม่เป็นมงคลด้วยความคิดเช่นนั้นคือแม้สึกออกไปก็ไม่ดีอยู่ตามเคยและไม่เป็นประโยชน์อยู่ตามเดิมเวลาสึกออกไปว่าจะทำให้าศาสนาเบาก็ไม่เบาคงเป็นาศาสนาและทรงความจริงอยู่เท่าเดิมสรุปแล้วผู้ไม่ดีก็คือตัวไม่เกิดประโยชน์ก็คือตัว ความหนัก อ, อกเพราะใจทำพิดก็คือตัวเรื่องนี้พอสอนให้รู้ว่าไม่ว่าสมบัติใดๆถ้ามีแต่จับจายใช้สอยถ่ายเดียวไม่มีการเก็บรักษาก็ยอมเสื่อมโทรมและชิบหายไปได้ทำนองใจที่ปล่อยไปตามยถากรรมผลก็คือความเดือดร้อนที่ตัวเองต้องรับในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเพราะความผิดถูกชั่วดีไม่ใช่ทายาทของผู้ใด แต่เป็นของผู้ทำไว้โดยเฉพาะเท่านั้นจะพึงรับแต่ผู้เดียวท่านจึงสอนให้ระวังรักษาตัวด้วยดีไม่ปล่อยปละละเลยไปตามอารมณ์เวลาผลไม่ดีแสดงตัวแล้วลำบากมากเพราะผลนี้หนักกว่าภูเขาตั้งร้อยลูกไปไห น, ไหนปลาท่านจึงกลัวกันและสั่งสอนให้กลัวความชั่วตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้เนื่องจากท่านทราบชัดในขนก ร, รมดีชั่วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ที่พระสุดงนับแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงผู้น้อยท่านทราบภูมิจิตของกันและกันได้โดยไม่ต้องมีญาณอย่างทราบทางภายในเพราะการสนทนาธรรมในวงพระกรรมฐานท่านถือเป็นสําคัญและเป็นอยู่เสมอไม่ได้ขาดโดยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของกันและกันและเป็นสัมโมทนียกถาเครื่องเรื่นเริ ง, เรงในธรรมที่ต่างได้ปฏิบัติและรู้เห็นมา มีโอกาสก็สนทนากันตามแต่ท่านบูไดมีความรู้อย่าละเอียดประการใดเวลาท่านสนทนากันเราก็มีโอกาสสราบได้ในเวลานั้นยิ่งเป็นครูอาจารย์ผู้ใหญ่สนทนากันด้วยแล้วก็ยิ่งน่าฟังมากทําท่านมีแต่ชั้นสูงสูงฟังแล้วอัศจรรย์อยากเอาหัวมุดดินลงในขณะนั้นด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจและละอายในความสามารถปรสนาของตน ที่ต่ำต้อยด้อยสติปัญญาไม่สามารถรู้เห็นได้อย่างท่านขณะฟังท่านสนทนากันทั้งไพเราะจับใจทั้งอัศจรรย์ทั้งอยากรู้อยากเห็นอย่างท่านแทกใจจะขาดแต่สติปัญญาที่จะช่วยให้รู้เห็นอย่างท่านไม่ทราบว่าไปจมอยู่ที่ไหนคิดหาก็ไม่พบคนหาก็ไม่เจอมันมืดมิดปิดบังไปเสียหมดประหนึ่งจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้ได้ชมพอเป็นกว๋วนใจบ้างตลอดชีวิตลมหายใจ คงจะตายกับซากแห่งความโง่เขลาไปเปล่าๆมองดูหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันที่สง่างามและด้วยความสงบเรากับจะเหาะบินสิ้นกิเลสไปเสียหมดทิ้งเราผู้ไม่เป็นท่าอันหาสติปัญญาเครื่องเปลืองตนไม่ได้ให้ตายจมอยู่ในวัตวลเพียงคนเดียวยิ่งคิดก็ยิ่งคับแคบแน่นหัวอกใจสะทกสะท้านเหมือนถูกทอดทิ้งอยู่ในปลาปลยวคนเดียวเวลาเลิกจากธรรมสภาก็แอบไปไต่ถามหมู่เพื่อนว่า ฟังธรรมะสากฉ า, าท่านแล้วใจเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผมเองแทบอกจะแตกตาอยู่ในที่นั้นเสร็จแล้วด้วยความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านสนทนากันเวลากลับมามองดูตัวเป็นเหมือนกาตัวจากภูเขาทองเราดีๆนี่เองคิดแล้วอยากมุดดินให้สิ้นสากไปเสียคิดว่าคงจะเบาพระศาสนาไม่หนักอึ้งบราะเคนอภพอภิษนาที่ทาการกดทวลอยู่ตลอดมาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ส่วนท่านและหมนะู่คณะที่ได้ยินได้ฟังด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกรุนาเล่าให้ผมฟังตามความจริงเพื่อเป็นธรรมะคติพอมีลมหายใจสืบต่อไปไม่อาจอั้นตันอุราเหมือนใจจะขาดจูเวลานี้บ้างท่านองค์ใดพูดขึ้นส่วนมากมักมีลักษณะเดียวกันเพราะต่างองค์มีความกระยิมในธรรมท่านมากแล้วหวน ม, มองดูตัวที่อยากเป็นดังท่านแต่เมื่อ เหตุปัจจัยยังไม่สามารถเป็นไปได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาผลจึงแสดงความทุกข์ในลักษณะต่างๆให้ปรากฏพอได้ทรา์จากหมู่คณะที่กำลังรับการอบรมศึกษาเล่าให้ฟังจึงพอมีลมหายใจขึ้นมาบ้านและตั้งหน้าปฏิบัติตนต่อไปไม่เกิดความเดือดร้อนกลัวจะไม่ได้ไม่ถึงต่างๆอันเป็นการบีเบียนตนโดยใช่เหตุที่พูดผ่านมาว่าพาธุดงบางท่าน กล้าสละชีวิตไปนั่งอยู่ที่ทำเลเสือเที่ยวไปมาหากินในเวลาค่ขึ้นบ้างบางท่านกล้าเที่ยวเดินหาเสือบนเขาในเวลาค่ำคืนบ้างเป็นต้นนั้นอาจทำให้เกิดความสงสัยหรือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าท่านจะนั่งและเดินหาเสือเพื่อประโยชน์อะไรกันเพียงนั่งอยู่กับบริเวณที่พักถ้าเป็นนิสัยคนขี่กลัวอยู่แล้วก็พอจะเกิดความกลัวได้ จนแทบไม่มีลมหายใจก็ได้แต่ทำไมจึงต้องใช้วิธีโลดโผนเลยสามันธรรมดาไปถึงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่พระที่อาจจะขาดสติอยู่บ้างคงไม่ทำกันดังนี้ความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของบางท่านที่เคยดำเนินมากับเป็นอย่างนี้คือความกลัวที่เกิดอยู่ในบริเวณท่านก็ใช้อุบายแก้ไขเช่นเดียวกับที่ไปนั่งและเดินเที่ยวหาเสือบนหลังเขา แต่ความกลัวที่เกิดตามลำพังดังที่เกิดขึ้นขณะพักอยู่บริเวณของตนเป็นอย่างหนึ่งท่านก็ใช้อุบายแก้ไขจนความกลัวนั้นหายไปได้แต่ความกลัวที่ท่านกำลังสแสวงหาด้วยวิธีต่างๆมีหาด้วยการไปนั่งภาวนาอยู่บนหินดานหลังเขาบ้านหาเดินด้วยหาด้วยการเดินหาเสือบนหลังเขาบ้าง น, นั้นเป็นความกลัวที่โลดผลรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวที่เกิดอยู่โดยลาพังมาก ถ้าไม่ใช้อุบายให้ทานกันก็หน้ากลัวเป็นบ้าไปได้ขณะพบกับเสือเข้าจริงๆฉะนั้นวิธีระงับจึงต้องใช้อุบายต่างกันมากจนความกลัวนั้นหายไปได้ด้วยกุสโลบายของแต่ละท่านที่จะหาอุบายวิธีฝึกทรมานตนเป็นรายๆไปแต่การฝึกจิตดวงกำลังกลัวถึงขนาดให้หายพยศลงได้ด้วยอุบายที่ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งสาคัญมากแม่ผลที่ปรากฏขึ้นในขณะจิต ยอมจานนต่อสติปัญญาก็เป็นความอัศจรรย์เกินคาดคือใจกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะที่ความกลัวดับลงไปด้วยอุบายที่ทันกันหลังจากนั้นจิตสงบเป็นที่ปราศจากความหวาดกลัวใดๆหนึ่งเวลาจิตถอนขึ้นมาก็ทรงความกล้าหาญไว้ได้ไม่กลับกลัวหนึ่งเป็นพยานหลักฐานในใจได้อย่างมั่นคงว่าจิตเป็นสิ่งที่ทรมานให้หายพยศได้อย่างถิ่นประจักษ์ ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนมีความกลัวเป็นต้นหนึ่งมีความพอใจที่จะทรมานตนด้วยวิธีนั้นหรือวิธีอื่นด้วยความถนัดใจไม่พลั้นพึงต่อความตายหนึ่งแม้การทรมานตนด้วยวิธีอื่นๆก็โลรดทราบว่ า, าท่านทำด้วยความมั่นใจที่เคยได้รับผลมาแล้วมีแต่จะเร่งความเพียรหนักมือขึ้นไปเพื่อความก้าวหน้าของจิตของธรรมภายในใจต่อไป จนถึงจุดที่หมายตามใจหวังเท่านั้นดังนั้นการฝึกทรมานใจหรือทรมานตนของพระสุโงจึงมีวิธีต่างๆกันไปตามจริกนิสัยแต่โดยมากวิธีที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเคยได้รับผลมาแล้วจึงจำต้องพยายามในวิธีนั้นมากกว่าวิธีอื่ น, นเรื่อยไปจริตของคนเราไม่เหมือนกันบางรายพอเกิดความกลัวขึ้นมาจิตเลยไม่มีสติร่างตัวกลายเป็นคนหมดสติไปเลย ไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามเป็นลักษณะเดียวกันนี้ทั้งนั้นจริตชนิดนี้ไม่สมควรที่จะพาทรมานด้วยสิ่งน่ากลัวอาจเป็นบ้าเสียคนไปได้คำว่าทรมานก็ต้องขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละรายว่าจะควรทรมานตนด้วยวิธีใดบ้างจึงจะเหมาะและได้กําลังทางจิตใจไม่เพียงได้ยินว่าทรมานชนิดนั้นได้ผลดีก็ทาไปตามโดยไม่คานึงถึงจิตของตนจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควร แต่การกล่าวทางนี้มิได้กล่าวเพื่อให้เกิดความอ่อนแอแก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายกล่าวเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่ภาวะของตนต่างหากบางท่านเมื่ออ่านพบข้าวก็าวาอาจคิดไปว่าอะไรที่เห็นว่ายากลําบากสนใจบ้านก็จะเหมาเอาเสียว่ามิใช่จริตของตัวจะไปทําอย่างนั้นจริตของตัวต้องอยู่สบายไม่ต้องมีความหวาดความกลัวต่างๆมาสัมผัสใจ อยู่ไปกินไปนอนไปอย่างสบายดีกว่าต่างหะเหมาะกับจริตของตัวซึ่งชอบสบายแต่ควรคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกและพระอาหารหันต์ที่เป็นชนะของโลกปราสรูและบรรลุธรรมได้ด้วยการฝึกทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆที่คนขี้เกียจอ่อนแอเห็นว่าดีและไม่เคยมีใครบรรลุธรรมด้วยการอยู่ไปกินไปนอนไปตามใจชอบโดยไม่มีการฝืนจิตทรมานใจบ้างเลย ที่นำวิธีทรมานอย่างเผ็ดร้อนของท่านมาลงก็โดยเห็นว่ากิเลสของคนเรามากกลัวแต่อำนาจบังคับทรมานมากกว่าปล่อยตามใจถ้าใช้อำนาจบังคับบ้างก็ยอมหมอบชนิดหนึ่งพอได้ลืมตาหายใจถ้าอนุโลมไปตามบ้างก็ได้ใจกำเริบใหญ่จําต้องใช้วิธีทรมานกันหลายอย่างเพื่อกิเลสกลัวบ้างพอเย็นใจท่านที่ต้องการเห็นความหมอบราบของกิเลสประจักษ์ใจ ก็นําอาวิธีเผ็ดร้อนนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกทรมานให้พอเหมาะกับจิกของตัวย่อมมีทางผ่านพ้นไปได้เป็นพักผักหักกลางกิเลสไปได้เป็นตอนตอนบันทอนทุกเครื่องทรมานใจลงได้เป็นทอดทอจนถึงที่ปลอดภัยอันเป็นแดนกเกษมเปรมใจด้วยวิธีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนท่านที่เคยได้ผลจากการทรมานด้วยวิธีเผ็ดร้อนท่านได้จริงๆรงเห็นประจักษ์ใจคือจิตที่ต้องทรมานแบบนี้นั้น โดยมากเป็นจิตที่ผาดโผนเพื่อจำนิสัยชอบเอาจริงเอาจังไม่หล่อแหละว่าสู้ก็สู้จริงๆว่าตายก็ตายจริงๆเป็นไม่ถอยเวลาจะทรมานความกลัวท่านก็หาที่ทรมานจริงๆเช่นเอาเสือเป็นครูช่วยการทรมานสถานที่ที่เห็นว่ากลัวมากเท่าไรท่านยิ่งมุ่งหน้าไปสู่ที่นั้นและฝึกกันอย่างเอาเป็นเอาตายจริงๆแม้ตายในขณะนั้นท่านก็ยอมขอแต่ได้เห็นความกลัวหายไป เพราะอำนาจสติปัญญาเป็นเครื่องฝึกท่านยอมทางนั้นไม่เช่นนั้นท่านจะฝืนใจดวงกำลังกลัวๆไปอยู่ในที่กลัวๆนั้นไม่ได้แต่ถ้ากว่าฝืนได้จนได้เห็นฤทธิ์ของความกลัวที่สู้ฤทธิ์ของธรรมไม่ไหวแล้วสลายตัวไปต่อหน้าต่อตาความกล้ า, าหาญปรากฏขึ้นแทนที่ยางประจักษ์ใจซึ่งเป็นพยานแห่งการฝึกด้วยวิถีนั้นว่ามิได้เป็นโมคะแต่กลับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่คาดไม่ถึงเสอีก บางรายใจสงบลงขณะได้ยินเสียงเสือกระหึ่มมารอบๆ บ, บริเวณก็มีบางรายพอได้ยินบาดย่างเท้าเสือเดินมาข้างๆตามภาษาของมันโดยมิได้ระวังว่าใครจะสนใจกล้าหรือกลัวมันจิตรวมสงบลงไปในขณะนั้นก็มีบางรายทางความเพียรอยู่ตามปกติธรรมดาจิตไม่ยอมสงบลงได้พอหาอุบายไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยเดินผ่านไปมา แม่เสือไม่ได้มาที่นั้นแต่ใจกลับสงบลงเป็นสมาธิได้ก็มีโดยอาศัยความคิดและความกลัวว่าเสือจะมาหาตนแต่การภาวนาในขณะความกลัวกําลังแสดงตัวมีสองวิธีคือทําจิตให้อยู่กับบทธรรมที่ตนเคยปฏิบัติมาไม่ยอมสง่งจิตออกไปคิดปรุงว่าสัตว์ว่าเสือใดๆทั้งสิ้นภาวนาอยู่กับธรรมบทนั้นด้วยสติเป็นเครื่องควบคุม เป็นกับตายก็หมายพึ่งทําหมดที่กําลังบริกรรมอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นจิตเมื่อยอมตนลงหวังพึ่งทําจริงๆไม่ก้าวโน่นกว่านี้ย่อมสงบตัวลงได้โดยไม่ต้องสงสัยขณะที่จิตลงสู่ความสงบความกลัวหายไปทันทีนี้เป็นวิธีปฏิบัติของผู้เริ่มฝึกหัดส่วนวิธีของผู้ที่จิตเป็นสมาธิมีหลักใจแล้วเวลาความกลัวเกิดขึ้นย่อมพิจารณาโดยอุบายปัญญา คือแยกดูทั้งความกลัวแยกดูทั้งสัตว์เสือที่จิตสาคัญว่าเป็นของน่ากลัวออกเป็นชิ้นเป็นอันนับแต่เขี้ยวเล็บหนังหัวหางกลางตัวตลอดทุกอวัยวะของเสือออกดูว่าเป็นของน่ากลัวอย่างไรบ้างจนเห็นชัดเจนด้วยปัญญาความกลัวหายไปเองนี่เป็นวิธีของผู้ที่เคยดาเนินทางวิปัสสนามาแล้วย่อมแก่ความกลัวได้ด้วยอุบายนี้ท่านที่อยู่ในป่า ท่านฝึกทรมานท่านด้วยวิธีดังกล่าวนี้ทั้งนั้นและได้ผลเป็นที่พอใจโดยที่เสือก็ไม่ได้ทําอันตรายแก่ท่านเลยเขียนมาถึงตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันที่ควรจะนํามาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาตามเหตุขะตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วในวงพระธุดงซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นผู้หนึ่งเวลานั้นท่านอาจารย์องค์นี้เที่ยวสุดงไปฟากแม่น้ําโขงทางฝั่งประเทศลาว กับตาปะขาวคนหนึ่งขณะนั้นท่านพักอยู่ในเงื่อมผาแห่งหนึ่งตาปะขาวผู้ถือสิงแปก็พักอยู่เงื่อมหาแห่งหนึ่งห่างกันประมาณสามเส้นตามที่ท่านเราให้ฟังว่าท่านพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกแก่สุขภาพทางกายและทางใจการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรติดขัดทั้งท่านเองและตาปะขาว การโครจรบินทบาทก็สะดวกไม่ห่างจากที่พักนักราวสี่กิโลเมตรมีหมู่บ้านประมาณสิบห้าลังคาเรือนชาวบ้านเองก็ไม่มารบกวนให้ลำบากและเสียเวลาบมเพนเพียนต่างคนต่างทาธุระหน้าที่ของตอนไปตามเรื่องวันหนึ่งตอนบ่ายท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้มีอาการขั่นเนื้อขั่นตัวพิกลพอตาประขาวมาหาที่พัก ท่านจึงสั่งให้แกไปต้มน้ำร้อนมาผสมกับยาฉันทดลองดูบ้างบางทีอาจหายได้เพราะยาที่ติดตัวไปนั้นหมอเขาบอกว่าเป็นยาแก้ไข่ป่าได้ด้วยท่านเองเกรงจะเป็นไข่ปลากับเขาเนื่องจากที่นั้นไข่ป่าชุมและคนก็เป็นไข่ป่ากันมากเพราะแถวนั้นเป็นป่าทึบมากคนแถวทุ่งๆไปอยู่ไม่ได้ที่นั้นเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเสือนานาชนิดกลางคืนเสียงร้องอึกระทึกคลึกโครม ทราว่าแถวนั้นมีเสือกินคนอยู่บ้างห่งหงางๆทั้งนี้ก็หนึ่งจากชาวยูนเหมือนกันเป็นต้นเหตุทําให้เสือดุร้ายไม่ค่อยกลัวคนพอตาประขาวทราบแล้วก็ถือกาต้มน้ําไปที่ภาคหลงตนต่อจากนั้นก็หายเงียบไปเลยไม่เห็นเอาน้ําร้อนกลับมาถวายท่านเพื่อผสมยาท่านเองก็รอคอยน้ําร้อนจากตาประขาวจนค่ำก็ไม่เห็นมาท่านคิดว่าตาประขาวอาจจะลืมไปเมื่อนังภาวนาเพลิน ท่านเลยทอดทุระอาการไข้ก็ค่อยเบาบางลงและหายไปในที่สุดส่วนตาประขาวเมื่อเอากาณน้ำไปแล้วก็เตรีมก่อไฟแต่ก่อเท่าไรไฟไม่ติดเลยเกิดโมโหขึ้นมาจึงลืมว่าตนเป็นตาประขาวลูกศิษย์พระกรรมฐานองค์สำคัญปุบ ป, ปับลุกขึ้นพร้อมกับความโมโห ว, ว่าไฟนี้เราเคยก่อมันมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มันทาไมก่อไม่ติด ฝ่ายนี้ต้องการน้ําหรืออย่างไรถ้าต้องการน้ําเราก็จะให้น้ําว่าแล้วก็หนุเล็บขออภัยยืนปัสสาวะรถลงที่กองฝายจนเปียกหมดแล้วก็เดินหนีไปเงียบไม่มาบอกอาจารย์ที่คอยน้ำร้อนอยู่แต่วันจนค่ําเลยพอตกกลางคืนเรื่องที่ไม่เคยคาดฝันก็ได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอยู่มากแต่ก่อนที่เคยพักมานานแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เฉพาะคืนวันนั้นเวลาประมาณสามทุ่มตาบะขาวกําลังนั่งภาวนาลำพึงถึงความผิดพลาดที่ตนได้ทําความประมาทต่ออาจารย์ด้วยความโมโหเป็นต้นเหตุจึงได้ลุกขึ้นปัสสวะรถกองไฟมีหนำยังไม่ได้ไปเรียนขอขมาอาจารย์ให้ท่านงดโทษอโหสิกรรมให้ขณะที่นั่งลำพึงโทษของตัวอยู่อย่างกระวนกระวายเสียงที่ไม่คาดฝันก็ได้ดังขึ้นข้ามมุง้ง ด้านหลังห่างกันไม่ถึงวาเลยเป็นเสียงคำรามของเสือโคร่งใหญ่ลายภาคกรอนที่กำลังหมอบหันหน้าตาจ้องมองมาทางตาพระขาวราวกับจะโดดระคุบกินเป็นอาหารในขณะนั้นพร้อมทั้งเสียงโครนครางเบาๆพอเป็นการทดลองความเจยงกาดแทนความโมโห ข, ของลูกศิษย์กรรมฐานขนาดพอให้ได้ยินไปถึงอาจารย์ที่อยู่เงื่อมผาทางโนนขณะที่กาลังโ ค, ครนคางนั้น ทั้งเอาหางฟาดลงพื้นดินดังตุกตกุกทั้งเสียงครางเบาๆทั้งแสดงชาติขยับหน้าและถอยหลังทำท่าจะตะครุบตาปลาขาวเป็นอาหารสดในขณะนั้นให้ตรงได้พอตาปลาขาวได้ยินเสียงประหลาดซึ่งไม่เคยได้ยินใกล้ชิดขนาะนั้นนับแต่มาอยู่ที่นั้นเป็นเวลาหลายเดือนก็ตกใจกลัวรีบหันหน้าไปดูทันทีระยะนั้นเดือนกาลังหายเต็มที่ก็ได้เห็นเสือโคร่งใหญ่ หมอบจ้องมองทาท่าอยู่อย่างชัดเจนต า, ากระเขากรัวตัวสัน่นราวกับจะสลบไปในขณะนั้นคิดอะไรไม่ทันใจหันเข้าพึ่งพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นที่ฝากเป็นฝากตายว่าขอพระพุทธโธธรมโมสังโฆได้มาคุ้มครองปกเกล้าปกกระม่อมจอมขวัญผู้ฆ่าเถิดอย่าให้เสือตัวนี้เอาไปกินเสียในคืนวันนี้จะไม่ทันได้ไปขอขมาโทษอาจารย์ที่ตนทําผิดต่อท่านเมื่อบ่ายวันนี้ ขอพระพุธโธจงช่วยชีวิตของข้าไว้ให้ตลอดคืนวันนี้ด้วยเถิดสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปแล้วขอพระธรรมและอาจารย์จงโปรดเมตตาอโหสิให้อย่าถึงกับเสือต้องกินเป็นอาหารเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั่นเลยทั้งบนทั้งบนทั้งบริกรรมพุโทโธทั้งสัน่นทั้งกลัวทั้งหันหน้าจ้องมองเสือกลัวมันจะตะครุบไปกินเสียในขณานั้น เสือพอมองเห็นคนหันหน้ามาจ้องมองก็ทำเป็น้อยห่างออกไปบ้างเล็กน้อยและทำเสียงค ร, งครุนคลางไม่ลดละสัตว์ประเดียวก็เปลี่ยนท่าเข้ามาทางใหม่จะถอยออกไปขยับเข้ามาอยู่ทํำนองนั้นส่วนตาปลาถาวเลยจะตายทั้งเป็นที่ต้องหันรีหันขวางไปตามเสือที่ยักย้ายเปลี่ยนท่าต่างๆไปมาอยู่รอบๆมุงไม่ลดละพอคนตั้งท่าจ้องมองหน้าเข้าก็ถอยห่างออกไปบางครั้ง ทำท่าเหมือนจะหนีไปจริงๆโดยทําเป็นถอยแอบออกไปห่างๆพอคนเผลอนิดก็ขยับเข้ามาเกือบถึงตัวผู้โทกับใจปราศจากกันไม่ได้ต้องท่องจนติดใจยึดไว้เป็นหลักระกษาชีวิตอยู่ตลอดเวลา <c oughs> พอพุโทโธห่างบ้างทีไรเสือเป็นต้องขยับเข้ามาทุกที <c oughs> เมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบบริกรรมพุโทโธและวิงวอนให้พุ้โธช่วยชีวิตไว้ <c oughs> พอพุโทโธสนิทกับใจ เสือก็ถอยห่างออกไปราวกับจะหนีไปจริงๆแต่นิสัยคนเราชอบบังคับประจัญสนดานฉะนั้นพอเสือถอยห่างออกบ้างผู้โถก็เริ่มห่างจากใจคิดว่าตัวจะไม่ตายฝ่ายเสือก็เริ่มขยับเข้ามาและทําท่าจะตระุคบอยู่ทํานองนั้นแต่ก็ไม่ทํำไม่เป็นจะเปลี่ยนทิศทางเข้ามาทางนั้นบ้างทางนี้บ้างไม่ลดละความเพียรพยายามระหว่างเสือกับตาป่าขาเป็นสงครามกันอยู่โดยต่างฝ่ายต่างไม่ กบราวาถอกให้กันเลยนั้นเริ่มแต่เวลาสามทุ่มจนสว่างน้ำตาตาปาขาวที่ไหลรินอยู่ตลอดเวลาเพราะความกลัวตายนั้นแต่ขณะแรกถึงสว่างคาตาจนไม่มีอะไรจะไหลพอสว่างเสือก็ค่อยๆถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปประมาณสี่วาแล้วก็ค่อยๆเดินหลบฉากห่างออกไปโดยลําดับจนพ้นสายตาพอเสือพ้นไปแล้ว ตาปะขาวยังตั้งท่าระวังอยู่ในมุงอีกนานไม่กล้าออกมากลัวว่ามันจะแอบซุ่มอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงนั้นเวลาคนเผอตัวออกมาจากมุงมันจะกระโดดออกมาคาบไปกินเสียจำใจต้องนั่งรอดูเหตุการณ์อยู่ในมุงเป็นเวลานานเห็นมันเงียบหายไปไม่กลับมาอีกจึงรีบออกจากมุงแล้ววิ่งถึงที่พักอาจารย์ด้วยตัวสันตาลายพูดไม่เป็นท่อยเป็นคำจากต้นชนปลายไม่ถูก ฝ่ายอาจารย์เห็นอาการแปลกผิดผิดปกติจึงถามดูก็ได้ความว่ามาขอขมาโทษที่ทําผิดต่ออาจารย์เมื่อบ่ายวานนี้และเล่าเหตุที่ทำผิดตลอดเรื่องที่เสือมาเฝ้าทั้งคืนแทบเอาชีวิตไว้ไม่รอดถวายท่านทุกประการแต่แทนที่ท่านจะงดโทษให้ในทันทีทันใดท่านกลับพูดทําท่าคูเข็นเพิ่มความเข้าอีกว่าก็แก ok, ชอบสิ่งใดก็แกก็เจอสิ่งนั้นชอบดีก็เห็นของดี ชอบชั่วไปเห็นของชั่วนี่แก่ชอบเสือแกก็ได้เจอเสือแล้วจะมาขอขมาโทษกับรเราเพื่อประโยชน์อะไรเรายังอดโทษให้แกไม่ได้อย่างน้อยแกก็ควรจะได้พบของดีที่แกชอบอีกสักคืนหนึ่งถ้าไม่ตายเพราะเสือกินก็พอให้ได้ที่ระลึกเป็นนานๆบ้างเสือมันดีกว่าอาจารย์อาจารย์ก็จะมอบให้เสือเป็นผู้อบรมสั่งสอนต่อไปว่าอย่างไรจะมอบไปเสือในคืนวันนี้ถ้ามันสอนไม่ฟังก็จะ มอบให้เป็นอาหารของมันไปเสียรู้แล้วรู้หลอดไปที่เจตสั่งสอนว่าอย่างไงจะเอาไหมที่เจอเสือและฝันเทพเสือได้คืนนั้นหม้อกับเหตุดีแล้วคืนนี้จะให้มันมาสอนอีกถ้ายังขืนเก่งอยู่อีกก็จะหมอบให้เป็นสเสบียงเดินทางของมันเสียของมันไปเสียมันคงสบายท้องไปหลายวันจะเอาอย่างไหนดีรีตอบมาจะโมชักช้าอาจารย์กับเสือใครจะดีกว่ากันเอา้า ตอบเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าอยู่เดี๋ยวจะบอกให้เสือมารับตัวไปเชิดสอยเสียเดี๋ยวนี้จะดีกว่าอาจารย์ใช่เป็นไหนๆว่าแล้วก็ทําท่าเป็นเชิงตะโกนเรียกเสือว่าเสือตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนเวลานี้ให้รีบมารับเอาตัวตาประขาวพปอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้อาจารย์มอบตาประขาวคนนี้ให้เป็นลูกศิษย์ของเสือแล้วรีบมารับเอาไปเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าเลยตอนนี้ตาประขาวร้องให้โอยังไม่เป็นท่า และขอร้องอาจารย์ว่ากระผมเจ็ดแล้วขอท่านอย่าได้เรียกมันมากระผมจะตายขณะนี้อยู่แล้วคืนนี้กอนึกว่าตายไป ห, หนึ่งแล้วแต่กรบฟื้นคืนมาพอได้สติจึงรีบมาหาอาจารย์ขอความช่วยเหลือมีหนำยังจะเรียกมันมาอีกกระผมจะไปเอาชีวิตจิตใจมาจากไหนต้านทานกับมันขอท่านจงบอกให้มันงดอย่าให้มันมาอีกทั้งร้องไห้ทั้งขอร้องไม่ให้ท่านเรียกซืือมาอีก ทั้งกราบไหว้วิงวอนขอชีวิตชีวาไว้พอมีลมหายใจต่อไปทั้งยอมเห็นโทษที่ทำผิดแล้วและจะสารวมระวังต่อไปทั้งปฏิ ญ, ญาณตนด้วยความเดหลาบต่อหน้าท่านว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปทั้งร้องขอให้ท่านเอาโหสิกรรมให้พอเห็นเป็นการอันควรแล้วท่านจึงรับขมาโทษและอบรมสั่งสอนต่อไปและพูดพรบยนต่างๆว่าที่เสือมานั้นไม่ใช่อะไรอื่นพาให้มา กรรมชั่วของแกเองบรนดาลให้มาถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษแห็นความชั่วของตัวก็ต้องเห็นดีกันในคืนนี้นี่แหละพอตกมืดเสือตัวนั้นก็จะมาและเอาตัวแกไปพร้อมโดยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วมันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเหมือนคืนที่แล้วนี้เลยเมื่อเจ็บแล้วต้องจำเพราะบาปมีบุญมีประจำโลกใครจะมาลบล้างทำทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ถ้ากรรมอยู่ใต้อำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดได้แล้ว ผู้มีอำนาจนั้นจะต้องลบล้างกรรมเหล่านี้ให้ศูนย์ไปจากโลกนานแล้วไม่สามารถยังเหลือมาถึงพวกเราเลยเท่าที่กรรมดีชั่วยังมีอยู่ก็เพราะกรรมนี้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับผู้ทํากรรมนั้นๆเท่านั้นนี่กว่าแกทํากรรมชั่วไว้เมื่อบ่ายวานนี้แกก็ต้องเห็นกรรมชั่วของแกเองถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษของตัวก็แน่ทีเดียวในคืนวันนี้พยากรรมตัวลายผาดกรอน จะมาตามเอาตัวแกไปดูผลของกรรมให้ประจักษ์กับตัวเองพออบรมเสร็จแล้วก็บอกให้เธอกลับไปที่พักตามเดิมแต่ตาปราขาวคนนั้นไม่ยอมไปกลัวว่าเสือตัวนั้นจะแอบมาโดดคาบเอาไปกินเป็นอาหารอีกท่านต้องขู่ด้วยอุบายให้กลัวอีกครั้งว่ากุมภ์กี่นี้ก็ว่ายอมเห็นโทษแห่งความดือดึงของตัวว่าจะไม่ทำอีกแต่พูดยังไม่ทันขาดคาทาไมจึงแสดงความดืดได้ขึ้นมาอีกแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็จงดื้ออยู่ที่นี่หากจะทนต่อเสือตัวนั้นได้จริงๆพอพูดจบคําท่านก็เรียกหาเสือตัวนั้นไม่อีกว่าเสือตัวเป็นอาจารย์ของตาป่าขาวคนนี้ไปไหนเสียรีบกลับมารับตาป่าขาวผู้ดื้อด่านนี้ไปอบรมให้หน่อยเถอะเราเบื่ออบรมจะตายอยู่แล้วรีบๆมาเร็วๆหน่อยพอพูดจบตาป่าขาวร้องไห้ขึ้นอีกพรอมรับคําว่ากระผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ขอท่านอย่าให้เสือมาเลย แต่ผมกลัวมันคืนนี้แทบต่อดหลุดหายอยู่แล้วแต่ก็รีบไปที่พักของตนโดยไม่คิดถึงความกลัวความตายอีกเลยเป็นที่น่าพลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาไม่เคยปรากฏว่าเสือตัวนั้นมารอบๆมององแถ บ, บริเวณนั้นอีกเลยจนกระทั่งจากที่นั้นไปซึ่งก็เป็นเวลาอีกหลายเดือนถ้าคิดตามสามัญสำนึกก็น่าจะมีอะไรมาบันดาลใจเสือตัวนั้น ให้มาทรมานตาประขาวผู้เก่งกาจอาถานพานพาโลทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นยืนปัสวะรถกองไฟแม้แต่คนธรรมดาไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่คิดหารทำได้คนชนิดนี้ไม่มีอะไรจะเอาให้อยู่ในมือมือได้นอกจากเสือโครงใหญ่ตัวนั้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้แก่ถึงได้ยอมจำนวนอย่างรากนับแต่วันนั้นมาท่านว่าตาประขาวก็ไม่เคยแสดงอาการดื้อดืงอีกเลย นับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมาก